โตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสนะโมตสัตภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสนะโมตสภะคะวะโตอรโตสัมมา ต็อมาก็มีเาทพังโมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้างองทำนโมเทศนนโมเทศยนนีเหมือนนโมสิอื่นแต่เป็นลหลวงวักตอนเหมือนกันว <c oughs> ันนี้หลวงพ่อท่านไปบรรดาทามที่อเุเพยแล้วก็คงนี้กลับต้เลยฝากดูยันยมด้วยนะพี่กิ่งก็ไม่อยากจะพูดมากเพราะว่ า, วา เราปฏิบัติทำเนี่ยเห็นดูตั้งใจปฏิบัติดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวิธีการของทุเรียนเนี่ยตอนเย็นตอนเช้าต้องมีการแสดงธรรมเพราะอะไรเพราะอย่างน้อยเนี่ยมัน เ, เป็นการยกตัวอย่างขึ้นมาให้เราได้เห็นเกิดกำลังใจนะเกิดกำลังใจในการปฏิบัติ เ่นวันไหนเกียรเดินเงินกม้ันไหนที่เกีย ร, ยรปฏิบัติได้ยินเสียงของพูอเทียนพูดเทศหรือบางอยางจเติอนกุ้มันขึ้นเลยเร็วกว่ากำลังใจท่านวนนี้หลวงพ่อท่านไม่อยู่หลวงพ่อทำงานเยอ ะ, ะไปเทศไปอบรมกีบกลับเพราะว่าคนจะช่วยท่านก็น้อยเพราะว่าท่านเร็ว เร็วคนก็เลยพาไปตามยากเร็วขนาดไหนท่ามากขไปกับท่านเราก็รบดูชะท่านเท่ากับขอบคนที่สองเร็วขนาดไหนขนาดเราก็จะไปไหนแล้วต้องเก็บเราเราต้องเตรียมกระเป๋าไว้อจนถึงคืนนี้ด้วเพราะว่าท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตอนดึกก็ได้นี่คือหลวงพ่อปุวว๊บปั๊เอาหายไป มัวช้าอยู่น่นเดินเดินรอรถจะนบาเดินไปตามถนนไปเนนรื่อยนรถต้องตามทม้าหในนี่คือท่านสึ่งหายากผู้ที่ทำงานหรือผู้ที่เนผู้ศาสนาโดยกวพานี้ประมาในเมืองไทยเนี่ยค่าที่ทำงานมันท่านเนี่ยหายากนะเพราะไม่มีไม่สแสดงหาเครื่องสักการะนะถามหลวพ่อจะเอาสมณศักดิไหม ว่าเลยลเพาครูเจ้าคุณเจ้จามาให้หักทำไ ม, มก็ทำงานที่ไหนที่ไหนมีเทพมีบรรยายนีม่มีหลวงพอ่อถ้าไปที่ไหนไม่มีบรรยายที่มีการปฏิบัติธรรมท่านไมไปในวัดจิตไหนกระแดจุดบุกอเมริกาถ้ามีงานปฏ ท, ทําเนี่ยท่านไปถ้าไม่มีงานท่านไปไม่อยู่อยู่ตั้งเกินสามวัน ดังนนที่วัดก็เวลามีฤทธิ์ทีละครั้งท่านว่าก็จะไปให้ทีเพราะว่าพรุ่งนี้สมาเิากลับที่รีบกลับเพราะว่าท้กแต่มายังไม่กลับบ้านเลยะมีเวลามาพักกรุงไทยสองเดือนะไปอยู่ว่าครึ่งวันที่ดูวันนั้นเราทําบุญทาบุญจะภาพนุ่นิดๆโยมแม่เป็นภาพก็เลยไปเป็นจภาพให้โยมแม่ะ จะพาแล้วก็เย็นแล้วก็เดินทางต่อไปงานปฏิบัติธรรมที่ท่าเอเชียนเนี่ยเราที่นั่นคนสองร้กวคนนั่งทําทุกคนส่้ากว่าเต็มป่าเลยนะที่เมือท่าเอเชียเมื่อวันที่27สิงานะแล้วก็เอาแม่ไปไว้นะเอาแม่ไปด้วยไปทิ้งไว้ในป่าบอกว่าจะพาแม่ไปเจอทั้งเจดวันวันที่ห้าโทรศัพท์จากท้องแก่ตามตัวด่วน พาหลวพ่อไปอินเดียวนะย น, นั้งแ้วก็เลยนั่งรถกลับไปปล่อยแม่แม่กลับเองแล้วกันนะตั้งตัวแปดเจ็ดสิบ 8, กว่าเก็บสิบเก็ดสิบเท่าไหร่รู้กันมาถามเออ้อมาไม่รู้อายุแม่สดเดอายุเพื่อนอายุใครรู้จังหมดนะบทีแฮปปี้เบอร์เซ่เขาในเฟซไทร์อะไรก็ยังโดนฟอนเขาอยู่เห็แม่ตัวเองนไม่มีรู้จักอายุออายุเท่าไหร่เปิดดูในะ ป, ประจ า, านจะรก่อ วันที่เดือนเนี่ยฉีดหมเลยไปดูเขาบ้างเราก็ไปดูของน้องชายตัวดได้เกิดจะรู้ว่าน้องเกิดอายุเท่านี้พี่สาวเทน่นี้ไปดูดัง น, น้องชายเกิดก่อนแม่ทั้งนั้น <c oughs> ในบทประชารชนน้องคนเล็กที่เกิดก่อนก็ดีลเลยเอาเกิอดอะไรขึ้นบอกว่าคนเป็ก่อนมันไปคว่าเจริญเวลาจะไปแกลกเกิดทีนึงเอาลูกไปที่ละหาคนนี่แล้วไปส่งให้ อะไรอะไรนะตัสฎีพูดจึงไหนเดียนไหนเดือยน้องเกิดไปเลยอย่างไม่รูรเป็นถามวใครเกิดก่อนเกิดหลังน้องเลยเกิดก่อนแม่มันเลยนี่คือความมาโปร่แม่มาครั้งนี้มาทุกครั้งกรามาโปร่แม่พอที่เกิดหลวงพ่อออกมาจากที่เม่หนด่งเดือนอเกาอบปีมาเพิ่มาสองครั้งได้พักก่อนคร่ า, าเดือนสองเดือน จุดประสงค์ไปอินเดียในะเจตนาที่อยากจะมาครัน้งนี้ก็ไปอินเดียก็ไปสนใจไปนะนะดูสิบสองวันนะไปอิยสิบสองวันตามรอยตามรอยพระเจ้าตามรอยดรศักดิถามว่าตามรอยพระเจ้าเพราะอะไรเพราะบางครั้งเรานะอยากจะมันก็สอนหนังสือเรื่อง ทุกตวันมาเยอะเรีนยนเกิดฟู้นหมดอ่ะ่านทาเข้าใจแต่มันไม่เห็นที่จริงสัานที่จริงเราก็มันต้เหมือนมนยังไงอยู่นะก็เลยไปตามรอยอยพระเจ้ามาอยู่ที่ไหนยังไงบ้างไปก็เห็นเห็นเมืองหนึ่งในโลกนี้ไม่มีเมืองไหนที่อายุเก่าแก่ที่สุดเท่าอิตเดีย ยังคนแม่ไปคุณแม่ไปหลายครั้งแล้วอินเดียเมืองไหนไกลเขาบอกว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอายุ 2,500 ปีแล้ว 2,000 น่าจะเกือบ 3,000 ปีแล้วเพราะเมืองนี้มันตั้งก่อนพระเจเออเมืองพาราสีแปรในประเทศอดกแปรในเมืองพาราสีเมื่อเจ้าประทับวัดอยู่ในพาราสีก่อนที่จะเมืองพาราสีอยู่เใช่ไหม สองพันกปีแล้วเมืองเก่าแก่ที่สุดทำไมวันนี้ถึงพูดเรื่องอินเดียก็อยากจะพาเราตามรอยเปื่อนี้ดรอยประจะัเพราะตะมาไปจแต่ลที่พยายามที่จะไปไปก่อนไกด์ลองรถไปก่อนไกลเลยเพราะมันอยู่ในหัวเราหมดแล้วมันต้องฟังไกล์บางทีไกดมันโมเยอะที่คุยเยอะไป เราก็ไปตามไปดูตรงนั้นตรงนี้ไปดูอา่านเราก็อ่านออกแขีได้เขียนอะไรยังไงภาษาไทยภาษาจินอะไรเขียนตรงนี้กุฏิพะพุทธเจ้ า, างนี้กุติภาษาลิบุกุิอะไรก็เขียนได้เพราะมันตามรอยนี่รอยพระุทธเจ้าอยู่ที่ไหนโยโรอยสถานที่เกิดประสูติตที่ลงงยูดี ไม่ใช่ลุกบิดีุกิอุกเกียรนะแต่มัเนเป็นลูกบิดที่ประสูติที่ประสานุที่สแสดงประตูพระเทศนาที่ตรงสายสำขัญที่ประดิษฐานนี่คือรอยทำไมต้องตามไปธารมามีความคิดเสมอว่าเราไม่ต้องไปก็ได้เองเดียวเพราะปฏิบัติดีการนี้มันมันไม่มันไม่ม เขาเียว่าอะไรนะตามที่ไปนั่งที่ฐานนั่งไม่ได้นั่งปฏิบัติธรรมได้ทงสีหมาโูไหลายวันนะไหอยู่ทลกๆนะอด้ยุเงเยอ่าเยนะบางนะทีคนก็โดดข้ามหม้อเราก็มีคนเยอะวันวิสาขาพอดีวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวานลัวันวันวันวันวันวันวันวั่วันันวันวั น, นนะ ว, ว, ไไวันนวันวะันว ทำไมตนโจนเราวิ่งแย่งไปโปลกันเราก็ไอ้ถามว่าไปไหนจะให้พอใครล่วง่ะให้ล่วงมาที่เราถ้าไม่ล่วงมถูกเราไม่เอาปลาควรไม่ร่วมมะมันจะไม่ถึงเราบอลโคตรกระโดดคว้าก่อนก่อนอันนี้คือสิ่งที่คนไปเสน่ห์มหากันไปแล้วก็ได้ไปโผมาพวกแขนก็ฉลาดก็สุดโผล่มเยอะตะเกียบมาหาขายโยม พักหาหไม่ได้าาก็เอาซื้อตะแกะมาแจกเต่อรู้ต้นไหนรู้นะคือไม่บางครั้งก็ดีอยู่สมมติรักษาไว้ถ้าทําลายะถ้าทําลายแล้วก็อายุจะสั้นถ้าไม่ทําลายรักษาไวน้นยหลวงพ่อท่านเปรี่ยนเสมือนกับเราจะกินมะพร้าวนี่ยจำเป็นไหมมะพร้าวเราต้องเอาเฉพาะ เวลาเก็บมะพร้าวจะต้องเอาเฉพาะน้ำมะพร้าวแล้วก็กะทิมะพร้าวไว้ไม่จําเป็นนะแต่เวลากินเรากินเปลือกมะพ้าวไหยไม่กินกินกล้ามะพร้าวไหยไม่ได้กินต้องเอาออกแต่เวลาเก็บต้องเก็บทั้งลูกพุทธศาสนาเราเหมือนกันประเพณีพิธีกรรมต่างๆแต่ทุวันมะพร้าวม้นหนาไป่พิธีกรรมมันหนาไปจนหาแก่นไม่เจอแต่ต้องเก็บไว้ะไม่ทํำลาย บางที่เขาทําหลายก็ก็สะกดใจอยู่ทีนี้ไปสถานที่ต่างๆไปเพื่ออะไรไปเพื่อที่จะไปนั่งรับลึกพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านสาระบว่าถ้านึกนึกถึงเราให้นึกถึงสังเวชในฐานที่สี่ต่อไปในอนาคตแต่ว่าคำว่านึกถึงเนี่ยกลับไปถึงต่างกันนะ ไม่ได้ไปดูไปที่ไปที่ก็ได้เป น, นั่งไป น, นั่งส่วนมากคนไป น, นั่งขอกันขออาจจงนั่นคอยนี้ถ้ามาก็ขอได้เหมือนกันนะมีที่นึงเลยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่จบนะแล้วก็ไม่ใช่สาระโยมก็ต้องคิดมากสถานที่ที่บาทขรงเจ้ า, าเก็บบาทพระเจ้ า, ขออาเขาทำให้สวยงามมากเลย <c oughs> นะแต่ว่าตัว น, นี้บามันขึ้นแล้วก็แกว่ที่ถึงวันแะล้วมันเลยไม่ได้ โดนเป็นกัดสี่ฟันไม่มีไม่ได้เจอห้องน้ะลงปล่อยข้างทางตลอดทีนี้พระเขาบอกว่าอ้าวใครมาที่ตรงนี้เนี่ยสุดน่าจะถูกหวยแน่นอนค่คนที่เป็นไก่เ้าก็โพษนาไว้นะโยมก็ไปหาฮานกักนถ้ามาก็ผมจะไม่เล่นไม่ซื้อไม่อนี้แล้วไม่บอกอี่แนละ้วรู้ก็มค่อยๆบอกสุดท้ายมันไม่รู้ ไมบอกถ้าบอกไปถูกมันก็อยู่ตัวแต่ไม่ถูกเสียหมาเสนะีะพระเสียพระเลยก็ยเล ย, ย, เลยขึ้นไปอ่ามีที่หนึ่งก็ห้าขึ้นไปแต่มาก็แกะขึ้นไปทุกคนขึ้นไมได้มีทางหนึ่งก็ขึ้นไปบนกอยห้อหุ่ดไปนั่งในฐานใได้มีปัญญาที่จะขึ้นไปในธรรมนั่งสมาธิกำหนดรู้กำหนดรู้สึกตัวที่เฉยเฉยมนะตอนมาก็เลยโค้งกับ คมกาบคมกาบที่อิทคมกาบว่าไงไม่รู้ใครจังไรเอาตัวเลขของงกษเอาเอ า, เอาไม้ไฉีดตัวเลขไว้สามตัวสามตัวฉีดไปสามตัวประมาณก็อ้ันเลขของหัวเราถูกคนดีแต่ไม่รู้ว่าเลขแต่รู้ว่าเป็นเลขอ่าแต่ไม่รู้ว่าใครไปฉีดไว้ฤกษ์นึกเลง จะเป็นตัวนี้หรือเปล่าแค่แล้นก็จบนะไม่ปูงแกงต่อนนะ่ะไม่ปูงแกงมั น, นจะโทรบอกมาที่น้องเสื้อมันเป็ น, น, นปูงแกงก่อนเพราะไม่รู้ว่าวันไหนเร็วหัวออกเลยไม่รู้ว่านั้นเป็นวันที่เท่าไหร่เขาหนไปก็กลับมามาถึงเมืองไทยแล้วล่ะหัออกเปันวนะันงแล้วไม่ยันพระที่วัดคุยกันหัวอ อ, อ, อกเดี๋ยวตัวไหนนะหมอสามตัวโ ต, วตเลยดนะฉงนั้นจกจะไปก็ได้นะ กร<สน>ะตุน้นกระตุน้นตามรอยพระเจ้าคือไปจะไปเอาอะไรไปเอาความงมงายก็ได้ความงไงาเอาวัฏฏธรรมะก้วัฏาทรรของปัญญาก็จะปัญญาพระพุทธเจ้าท่านผ่านฉลาดมาสองพันห้าร้อหกร้อปีแล้วนะเราก็ยังจะไปงมและงายอยู่แล้วไม่ดีเท่า่นะทีนี้ตามรอยพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าถ้า นึกถึงพระเจ้าให้เราลึกถึงสังเวชถานสี่เนี่ยเรามาเนี่ยมานิ่นถึงสังเวชถานสี่คืออะไรหนึ่งม่ประศุอาทุกขาชาติพระพนัุณห์พระเจ้าบอกเลยนะสังเวชณีสังเ ว, งเวชณียสถานอันที่หนึ่งคือทุกขาชาติพระพนกุณห์การเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ล่อไปเรายังยินดีในการเกิด อ, อยู่ไหมเนีย่ย ถ้าเห็นเกิดมาแล้วเนะี่ยมีใครแล้วเกิดแล้วมีความสุขบ้างมีไหมเกิดแล้วทุ ก, นนะกทุกคนในชะ่ไหมเกิดแล้วมาร้องไห้ทุกคนมันมีใครเกิดมาแล้วหมอนเลาะนะมีความสูงแล้วเกิดว่าเกิดมาทรังนี้นะไม่มีเกิดมาลองไห้เกิดมาแล้วแบโรงยาบาท่านถามเลยนะอันนี้ใ น, นกระแจพิสดุษโยมเห็นเขาถามแวลาตายเ้าจะไปถามคามแรกนะในในเทวทูตสู โยมถ้าแต่แม่เจ้าเจวดญพูดเพราะถ้าแต่แม่พุทเจริญแต่โยมบานพูดเพราะแต่เทวทูตเนี่ยแหแรงกระชากหลาดูไปไปถึงโยมบาลเนี่ยนั่นในในเทวทูตศูนย์เป็นตัวอย่างข้าแ่แม่เจริญแม่เเป็นมนุษย์หรแม่เคยเห็นเทวทูตไหมนะะมันจะมันจะล็อกจองจานะแม่เคยเห็นเทวทูตไหมยายแล้วแต่ทามาหากินค้าขาย ทำมาให้กินไม่เคยนึกถึงเจ้าพูดเลยไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นเจ้าค่ายายที่ดูด er like ีๆยังย้ำอีกนะให้เรานึกถึงถ้าถ้าใครเห็นเห็นเที่ยวพูดคนั้นจะไม่ตกอารกถ้าไม่เห็นนั่นจะอารมณ์รุนแรงนะเราจำเลยนะเดี๋ยวเขาถามเขาอำต่อไปเห็นเทียวพูดไหมดีบอไม่เห็นเจ้าค่าเขายาย มีลูกกี่คนแล้วหลายคนเจา้าพ่อยายเคยเห็นคนเกิดมไหมถามเห็เกิดพ่อเห็ น, นเหเจ้าพาอแล้วเห็นแล้วคิดยังไงบ้างเหคนเกิดเกิดแล้วมีคนสุขไหย<ม>แล้วคนเป็นแม่เป็นไงบ้างทุกข์ทรามานไว้ลูกเกิด<ม>ทุกข์ทรามานเกิดมามันมีเลือดมียางตีนตัวมามีประความระว่านึกถึงแล้วมันมีแต่ทุกข์ แล้วยายคิดย th ังไงเฉยเฉยถ้าจะเฉยเดีวก็ตงทรกนะต้องบอกเขาเลยเกิดเห็นความเกิดแล้วมาเกิดความสลดใจไม่อยากมาเกิดอีกจึงแสวงหาธรรมถ้าใครตอนอย่างนี้คนนั้นยายไปไปสวรรค์นะต้บอกถ้าเฉยเฉยแล้วก็คนนั้นเขาแปลว่าเห็นแล้วไม่สานึกอันนี้เที่ทัวที่หนึ่งก็ถามเลยแต่นั้นปรเจ้าบอกว่าทุกขาฉานติดเพราะบังการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ล่องไป นเร า, าจนดีในการเกิดจะมีความสุขนในการใช้ชีวิตอยู่กับใครดีอยู่นี่แสดแหน้ธรรมรอยที่สองทีนี้ข้ามไปที่สองเขาถามอีกไม่ใช่เขาถามนะสังเวชฐาน ท, ที่สองคือที่ที่ไหนต่อไปที่ประสูติก็ที่ัสรู้ที่ต้จตุสีมาอัปปู เมื่อพุทธคยะคนที่เฝ้าอยู่นั้นมันมีแต่พวกฮินดู้วไม่ได้พุทธนะมันเกียดหมดเลยถ้าของทหารเนี่ยถือปืนอยู่ข้อมื้เราด้วยถามราชาราจับอกถามันถามมันพระมาราชาเรเรียมเราน่ยถ้าเห็นผู้หญิงมาาราณีได้อยู่ด้วยใช้ขอเงินกเตอร์คือ ที่ประสูนย์เออที่ตัดสรุปทำไมต้องไปย่งที่นั่นนึกถึงพระเจ้าขั้งกวรจะตัดสรุปได้เนี่ยต้องผ่านอุปสรรคมาต้องเขาเรียกว่าลองผิดลองถูกด้วยตัวเองอนะ่ะกว่าจะแสวงหาทางคพคดทุกพาเราได้เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลยอดเยี่ยมที่สุดนะพระเจ้าบอกว่าไม่มีใครทุกข์ทรมานเท่ากับพระองค์ในการทรมานตัวเองเกือบอาคิดเองละกัน เพราะอะไรเพราะคนเก่าก่อนใครพนรมาตัวเองได้คนนั้นสุดยอดยุคให้กันพนรมานตัวเองทุกวันวน้เราเขาเริ่มแล้วให้นั่งเลยนานๆโอ้ยนั่งขางสั่บิอยากไปนั่งปกมเลยนั่งปกเสร็จนะทีนั้นอาตมาเข้าสมาอาเข้าไปเข้าสมาธิ24ช่โยงเขาเข้าไปเขามีกล้ององจรปิดในห้องโถงหลังนะอาว่าขับขาซ้าย ห้ามยกแล้วพวกนั้นเก็บอะไรก็ต้องโปวดสองนังนวดต่อขาบีบปลายเท้านนบบปาวดปลายเท้าเองแล้วเรียนลงมันเดินมันเก็บมันปวดยี่ชั่วโมงพอตนนั้งข้อไปด้วยดีแหละดีพอออกมาตอนพ้าตกใจตกแกอะไรไวะเจ้าว่าให้ผู้ใหญ่บ้านไปประกาศต้ามีพระเข้ามาบวช <c oughs> 12รูปงลูกอะไร ตอนแรกเขาเาเปิดให้ด้าน24ชั่วโมงเ็าจะเปิดปุ้ยสองครั้ง12ชั่วโมงปยครั้งหนึ่งไขทนไมได้ออกไปแล้วก็24ชั่วโมงปยครั้งนึ่งออกไปตอนมีหลายลูกที่ออกไปไม่ได้12ชั่วโมง24ชั่วโมงนี่ก็เรวก็ถ้าผ่าน10ถ้าผ่าน1ชั่วโมงไปแล้วสบายจะเอากี่วันก็ได้นะจะนั่งเป็นรู้สึกว่าจะนั่งเป็นเดือนก็ได้ถ้าผ่าน1ชั่วโมงไปแล้วมันเป็นลำหนักแค่ช่ว9ชมงชั่วโมง ทีนี้ออกมาเนี่ยเขาเปิดประตูพรบเราตก แ, ตแกเข้าเกิอดอะไรขึ้นคนคนยืนเข้าแถวกันสุดลูกหูลูกตามเลยมาทำบุญกับพระออจแกสมาบัต <laughs> ิเอเขาเขาใส่ปัดใจนะขเขาเอาบาลให้เขบานราให้เราเราไม่มีบาตเขาก็ให้ลูกเลรเดื่องหรอุ้ไมไไหว้หยบาตะคนละร้อยคนละ5 0าร้อยคนละ1ัน0มีคนละสิบยี่สิบาท เดินไปนายโยใส่บาทจะว่าตก็รับบาดเทนรับบาดเทนรับบาดเทนวันนั้นพระเจ็ดลูปเลี้ยงบาทได้ถึงหลายหนึ่งนพรอว่าดไปโฆษณาว่าพระ อ, ออกจากสมาบัติให้ถวบลกับพระ อ, ออกจากสมาบัติได้บุญฉับพลันทันใจรวยเร็วเหมืกันโยก็อยากรวยแล้วมาทั้งบ้านเลยอันนีน้คือสิ่งที่เราไปพูดไปโฆษณาคึ้นนะค ทีนี้ในที่แต่สรุปหรือเจลาพระองค์ก็ทรงเอาชนะมารเกือบจะออกทีนี้ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ว่าการชนนปฏิบัติธรรมเนี่ยผลเข้าเก็บอารมณ์ต้องมีอธิษฐานบารมีถ้าใครไม่อธิษฐานเนี่ยถูกมายาเากิดมันหลอกเสร็จทุลายอายหนะน้าตรงนี้ดีออกไปตรงนี้ดีไหม นะมันอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันควบคุมเวทนาทางจิตไม่ได้เวทนาทางกายต้อมาบอกว่านั่นให้สบายนอนให้สบายอย่าไปทุกข์กับมันเพราะเวทนาทางกายมันแก้ไม่ได้นะมันก็เป็นจนตายอ่ะและมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องทุกข์กับมันด้วยเวทนาทางกายแต่คนเป็นเวทนาทางใจโดยเพราะยกตัวอย่างนิดนึงมีโยมคนหนึ่งอยู่ที่อยู่ที่อทแอนแดต้าตปาดๆๆิดรถไฟฟ้าเป็นระคนเหล่า นั่งทีนี้ยญยคนนี้เกย์อยากให้ลูกชายเกยดีแม่อยากให้ลูกชายดีแม่ปัติธรรมเข้าใจนะสอนลูกอื่นได้สอนลูกไมได้เลยจ้าูกมาปฏิบติธรรมมันเกยเลยมากติดยาติดคุกนะแม่บอกว่าถ้ามึงปฏิบัติธมใ้แม่ได้ข้าววันหน่แม่จะซื้อรถแ็กันึงนะไปรถแท้กันึงมันก็เอามันมันก็เลยมาปฏิบัติธรรม ีวนีแม่เขาบอกแมาจากเอาเต็มทีท่เล้นะเรา แ, แล้วมาเหมากถูกคนแล้วเอาเต็มทีท่ก็ห้าวัเองตัมมาเขเลยเข้าพาเข้าไปในโบสถ์โบสถ์เขาปิดประตูมดเลยมันก็แล้วก็มีม้าเนเช่นหมในโบสถ์มีประตูอ่าโบสถ์ส่นที่โบวถเราผานนั่นก็มีโยมผู้ชายสามสี่คนอยู่ด้วยกันก็ไม่ใช่คนเดียวหรอกยังเป็นคนหนุ่มเลยเพราะว่าสีส่สิท่ ก็ผ่านคุกเพิ่งจะออกจากคุกมาสัวๆร้อนๆจับตัว้อนอุ่นอยน่เลยทุกเลยพานั่งยกมือสร้างหวังคือมัน่อประสงค์จะเอาเงินเอารถให้ได้ไอผ่านห้าวัอ่าที่นี้มันเดินทุกควันแรกก็ผ่านไปเรื่อยๆก็ไปส่วนหมดใ้าลำาไม่ได้เก็บเอาจริงจังนเก็อเก็บจากก้าวมังเช่ามาฉาดข้าวทานข้าวด้วยกันั่นแะตอนเย็นถึงแค่ห้าโมงก็เดนลทีนี้ อวันที่สองเริ่มอาการต่อเริ่มเดิเริ่มเพิ่เริ่มพัดรู้สึกอาการแลเริ่มไปสอบตรงไหนนี่ไปไปสอบประตูทหน้าต่างบอ่ะยืนสอบไปสอบอบ้านไะหนเราต้องปิดบ้านนั้นสอบบ้นไหติดปิดตามปิดตามนะเห็นให้ไม่ให้บอกไปคือขางจิตเนี่ยให้จิตมันดิ้นเต็มที่ทรมานจิตถ้าเราไม่ทรมานมันเนี่ยเราไม่เห็นมันเลยต้องทอรมานมันให้มันทุกทข์เพื่เห็นมัน ที่ออกมที่นี่มันไม่ใช่เราหรอกมันเป็นมายาเป็นอารมณ์เป็นเวทนาทางจิตเมื่อที่สามไปใหญ่ขนาดปีนแล้วมันจะไปส่องแง่ขอให้เราไปมองออกไปหน่อยนะพยายามส่งกิจออกไปนอกมันจะได้หายดีครับแล้วมาเอามา่า น, นไปปิดไว้แล้วเอากระดาษเราจะอัดรู้ี่มันมัมนเป็นช่องแคนะ่ตัวตัวมันก็จะปิด วเวลาที่จะแว่าประตูที่บริการติดนี้ทางด้าเราต้อิดนี้เก็เลยวันที่สี่ออกปาเลยผม ต, ต, ติดคุกสี่เดือนผมไม่ทุกขนาดนี้หรืออยู่ในคุกสี่เดือนไม่ทุกขนาดนี้ให้ผมไปทาอะไรก็ได้ไมาจำแัดผมแยกวุฒิบัตรทะมันจะเป็นล้างถ้วยล้างามช่วยกผู้หญิงเข้ากระดาวให้่มาเป็นเก็บขยะกระดาให้มีคนทาไปแล้ว มันปีห้าไม่เอาเลยไม่ยอมเข้าบวชมันติดตัดมันทุกข์มันทรมานมากนะอันนี้แค่ห้าวันนะรดไม่หมบอบรถเลิ ก, กไม่เอาหอัวมัได้ววันนะี้นี่คือความทรมานทางจิตมันเกิดขึ้นคนที่ไม่เห็นเนี่ยไม่มีสติจะเอาไม่อยู่นะแต่ท่านภูริย่าก็เหมือนกันไห้ถามตอนที่อ่าได้รับยาตจาก โซที่พามันมาปูไอ้ฐานคิดว่าข้าพระเจ้าจะ น, น, นั่งตรงเนี้ยคือตอนที่องค์ฉันข้าวใช่ไหมฉันข้าวจากอรับข้าวจากเห็นดื่มนมแพจะจากเด็กเห้ยแก่ก่าพวกผมพวกโซเข้าใจลูกนางตอนแรกคือตอนแรกไม่ไม่เข้าใจลูกนางนะนั่งเอาเป็นตัวตายนั่งกดนั่งทรมานเรื่อยเกิดเกิดสวรรค์นั่งกด เ, เกิดวัฏภาพเพราะไม่เข้าใจลูกนางทีงนี้ได้ยินกินสามสาย กินสามสายเข่งตึงอยอนเนี่ยไม่ต้องเล่าตัวเลยตายไปแล้วเลยเข้าใจโอ้เข้าใจรูปนามัาทีเลยร่างกษษษษษายมันมันสัตวัตภาพตามธรรมชาติทำลายมันก็ตายเฉยเฉยแล้วไม่ได้อะไรเลยไอ้ตัวที่บรรพาสุภาทุกข์คือจิตงน้่เราต้องทานพออยู่ได้ต้องไปงดื่มลงแพ้ดื่มมันมีกำลังหน่อยมันก็โซเกโซเ ซ, ซเไป อ่าที่ใต้ต้นต้นไสรแต่ต้นไสรที่ไม่น้ำในไร่สารก็นนะแต่ตรงนั้นแล้วก็คนไปก่อนเหนคนทุกวันนี่แหละเวลาอยากจะขอลูกก็ไปขอใต้ต้นไม้ใหญ่นะอยากขอลูกือขอตามเจดีย์นะอยากได้ลูกชายลูกสาวก็จะขอตามสถานที่ศัิ์สิทธิ์เถลอมาขอกราบห้า มาห า, ม า, ม, า, หามาขอพระมาบอกไปขอทุกสามีคนอยาได้ลูกมาขอพระเนี่ยแต่แตะตวไม่ได้ทำยังไงที่นี้นางแต่สุชาดาก็เหมือนกันอ่ะก็ไปขอใตาต้นไม้ใหญ่จับลูก ก, กับเทวดาวันนั้นพระเจ้ากระชั้นเข้านะชั้นนมชั้นนมแพะนมแกะก็มีเนื้อมีน้ำเป็นฟังขึ้นมาแล้วนะรู้สึว่าจากของที่สุดในชีวนะิตอ่ะกลายเป็น เนือน้อมมนหนังสมูขึ้นมาเมื่อนั่งใต้ต้นใส่นักหนึ่งที่นางสุธาดากวันนั้นพอดีเลยก็ไปอ่าได้ลูกสงใจได้เพราะต้นไม้ได้เพราะสามีด้วยก็เอาอะไรถาดไปถวายข้าวพเจ้านะไปถวายไปถวายแล้วก็ไปเห็นพระเจ้าไม่รู้พระเจ้าจะไปบวงสรวงใต้ต้นไม้ผมเห็นพระเจ้านั่งเป็นฟังอยู่ก็เลย ที่ว่าเป็นเทวดาแปลว่าผบต้องฉันอาหารมาพอทุกคนครับรักษากายดีท้กคนถึงผิวพัรเปล่ปลังลนึกว่าเทวดาก็เลยเอาข้าวไปถวายแลวงพ่เวกาจะต ะ, ะเคียนถวายทั้งหมดทั้งถานไหมจะเอาถาดึ้นไหมก็ถวายหมดเลยจั ง, งหวถวายเทยวไปเปนเลยค่ะคณะก็ ต, ตามไปดูนะที่ถวายข้าวบ้านยางสุาดามก็ไป มันก็ให้ขึ้นไปบนทางสูงใครไปคุณแม่เคไปนะเขาให้ขึ้นไปนะมันเดินรอบตรงานมันตามคือเราึงนเพื่ให้มันร้อยพาดหขึ้ น, น, นไปใหบนไหวพาดขึ้นไปบนคนเดียวนะมันอื่นไม่ขึ้ น, มม น, มนไม่ให้ดึงมันมันหัวก็เฉียดเราค่อยึงันมันพนแ ก, นกนทีนี้แล้วก็ตามไปที่ถาวายฐานเดินที่ที่ถลายข้าแล้วก็ตีน้ำในรังฉาลาตามไปดูตามไปยืน ในแม่น้ำในลานฉลากว้างสูงลูกหูลูกตามอาปัญญาปีนในในมันไม่ตรงน้ําหรอทุกว่าเป็นทรายหมัน้ท่ะแต่ว่ากว้างใหญ่มากเป็นทรายน้ํำแต่ละอยู่ข้าล่างลานทีนี้หลังจากที่ลอยผ่านแล้วเจ้าไอ้ฐานใช่ไหเลือดเนื้อถึงเหงื่อแห้งไปก็ตามก็เจ้าจะไม่ลุกจากที่ตรงนี้ใครลองไอ้ฐานดูนะถ้าใครฐานปัาบมันจะเจอมันบาทีเลย ให้ถามเราข้าพเจ้าเปนนั่งอยู่เนี่ยนะเป็นนั่งเป็นยืนอยู่ในอาสนะอามาเคยบอกครับบอกโยมเนี่อาสนะคือเนี่ยน้มตั้งให้โยมไ้ถามโยมด้วยวันหนึ่งเนี่ยวันพรุ่งนี้บุลย์นี้สองวันข้าพเจ้าจะไม่เดินจะอยู่จะไม่ออกจากอาสนะนี้จนกว่าจะถึงเวลาพักยืนก็ยืนอยู่นี้ยืนสร้างอย่างวัดเดินก็เดินล้เดินแยกเท้านั่งก็นั่งโอยะนะอะไรจะเกิดขึ้นตายเป็นตาย มันต้องเอาชีวิตตายเป็นตายนะธรรมะเ่ถ้าใครไม่เดินตายเป็นตายคนนั้นธรรมไม่เกิอดอละแต่มันไม่ตายแต่มันจะเราเอาสัจจะมาเรื่อช่วยพระเจ้าไอ้ฐานยเนี้ยตอนพอไอ้ฐานเสรยจ เ, เป็นแบบนี้โยเงเหยตานี้ไหมตานี้บางผมท <c oughs> ําหญ่้วยกัประทานข้ <c oughs> าประทานตอนตอยู่ตานี้ตานีบางทหย่้วยในใ เพราะว่าหลายตางก็เกินตางเก็บโลกกมี้พราะงงกันทีนี้ตอนชาวบ้านมาเยี่ยนน้าเยี่ยนน้ำแต่นเยียนน้ำแต่นชาวบ้านจะเมืองสมุทรจะสงครามกันนั้นไทยเราเราจะเยียนน้ำโขงจะเกิดสงครามเยี่ยนน้ำกันจะเอาไปไปลูกไปไ้ห้ามมีมีต่างอย่างเงี้ยทือต่างอะไรตางนี่ตางสนุกหม่ บางคนบอกชี้เยอะไม่ใช่หรอสะดุกมาทำไมสะดุกเรานั่งคึ้นั่งไปแล้วเนี่ยโอยมันเกิดโคงแก่ตุดโทรศพพอเราก็แก่แล้วเราทิ้งลูกทิ้งเมียมาประดับปอบหวนหวลูกเราก็โ ต, แ ล, ตแล้วป่านนี้จะเป็นยังไงนาะใครจะมันมันเขาเรียกว่าความชี้เน่ยมันเลิ่มโครงแก่สะดุกขึ้นมาอ่โอ้ยพวที่รู้ รู้เลยว่ามารที่รินแล้วเขาท่านอุมาเป็นยกพับยกทาน ม, มาอันนั้นอันนั้นอุบมานะจะเชีย่ยเขาได้นะอนนนเอาไว้เอาไว้ในกำลังแล้วเอาความเป็นจริงที่เราสามารถรู้และสัมผัสได้คือเนี่ยนั่งไนฐานความรำมานมาเลยไม่อันใดก็อันหนึ่งแหะบางคนมาเป็นธรรมม่ไดาะโชคดีนะบ้านไฟไหม้มีคนมาเป็นธรรแล้วเกิดกุบดภ่กษุภัยอขอเขามีเพราะอะไรเพราะหมาร อารมจะเป็นยังไงจะทุกข์ไหมนั่งอยู่ดีแม่เข้าโรงพยาบาลด่วนอย่างเงี้ยหลวงพ่อเกีบตัวสามคม่รู้ใครเป็นใครตายแล้วปัยญาใครเป็นใครตายใครชิบหายบ้างไม่รู้เลยนั่นแหละก็เลยมีและอุปมาอีกหนึ่งทานข้าวอยูก็มีนางมาทั้งหมดเลยพยามานเสนาามาน เทพธิดามาร์เข้ามานะเทพธิดามาร์เข า, นะามาม า, มาอยู่สามตนนางตัณหานางราคานางอารดีตัณหาอยู่ความอยากอยากกินอยากนอนอยากเที่ยวอยากไปไม่อยากอยู่อยากไปอยู่ที่สบายสบายสุขติสุขติอนะไรที่มันชอบ น, น, นี่แสดงตัณหาปรนมาสองนางราคานางราคะนางราคาหรือวย นางรานางราคะหรือ ว, ว่านางที่ความไข่คำ ว, ว่าไข่ตรงนี้ท่านอุปมาไข่ในเหมือนเราใช่ไหมไข่ในแบรนเนมอย่างเงี้ยนะของราคาแพงราคาคือราคานมืนเอเียวันนะแล้วก็อันที่สามคือดางอาร ด, ดีนะอาราอารดีก็แบายินดีคือมันเป็นสัพท์ตายตัวนันเลยอาราดีก็แบความยินดีนะมา ยินดีในการนั่งไยินดีในการไหนไหยินดีในการปฏิบัติหรือเปล่าถ้าไม่ยินดีก็แปลว่านางอะไรดีจิกหัวไปแล้วแต่ถ้าเราพระเจ้านั่งจนจะผ่านตัวนี้ได้แต่ด้วยพระองค์นั้นมีปัญญาแล้วก็เอาเกณฑ์บารมีมากๆทาดีทำถูกมากๆจิกเดียวมันควรจะเข้าใจแป๊บเดียวนั่นเองนะไม่ใช่บรรลุสมบัติมันเข้าใจลิกเดียวทะลุหลวงพเตียนตึ๊ดใจเดียวใช่ไหมว่าอาตมา อ่าก็ไม่ใช่โลกตัวเองนะาก็รู้รู้นิดเดียวแหะรู้ลกรู้นามวันเดียวเนี่ยรูุ้รู้นาำรู้กโลกน้ำโลกรู้อาจารย์ทุการู้สมมติภายในช่วโงนั้นหนึนะจนมันอยู่ไม่ได้ละมันรู้มากอาจารย์นะท่านเต่าเราไม่เ่าเราถ้านนั่งอ้ยนั่งาเรา นั่งท่านเหล่าไม้ทําอะไรเมื่อตั้งแต่เหล่าไม้ทําเข้า ป, ปา่าแอะไรทำรู้สิตรงพอดีเลยเ ป, ปน็นจ่าเมืยันมีอีกไหมที่ผมยังไม่รู้ในโลกนี้ว่ามันคุยนะมันมันคุยแลยนะ่ไหนหรอมั น, ม, นมันว่ามันรู้เก่งที่เหละนะือแล้วเพราะมันมันตื่นเต้นกับคามรู้ตัวเองรู้ทำรูำ้แค่ไหนหรนะมันมีอีกไหมที่ผมยังไม่รู้ว่าอาจารย์ไปเดินยังไม่ถึงเวลาออกสุกมลตัวเองหลงไปไม่รู้ตัไปอย่างที่รู เราเดินติดมต่ออีนะมันมีความสุขทีนี้อ่ะย้อนมาถึงอสถานที่พระเจ้าอยีกที่หนึ่งะที่ประเด็นนี้ที่ตัสสรุไปถึงตรงนั้นเราก็ต้องนึกนึถึงว่าพระเจ้าเอาชนะมาอย่างไรนะเราไปผานลองดูพวกนี้นะแล้วที่สี่คือที่ปฐมเทศนาะรปฐมเทศนาที่อสมาวก็ไปนะไปปฐมเทศนาที่พระเจ้า ตามปฏิบักษ์ษอิสิตและนะาาักบัณฑาริวันเพราะแน่ไม่ใช่ปฏิปักิสินะมันเป็นที่ไหนรู้ที่เป็นเจอปัจจุบันเจมส์คีเจมทีเองขาเขาเขาทำที่สองพี่สถูปนั่นเป็นสถูปที่เป็นสถูปเก่าแก่แล้วก็มีเขาสร้างไว้ก่อนนะทีนี้ต่อมาญี่ปุ่นเกิดสงคารามอะไรครับอินเดียไม่รู้แล้วเป็นหลบภัตรงนั้นแล้วเขาปอดภัยแล้วก็ไปสร้างห้องไว้ใหญ่มากเลย ไปที่เดิวมว่นะเป็นที่ของที่วกเส้งเข้าใช้หมด้วนะทีนี้พระจงชีหนีออนามาไดหนีเพราะว่าพระเจ้าไปกินข้าวกินน้าไปฉันข้าวฉันน้ำเพราะเขาเชื่อ ว, ว่าคนแตบรรพชนเป็นระเจ้ามันต้องสุดๆล่ะต้องซาลมนเดียที่สุดทีนี้ที่ตัดสรุปที่ประถมเมตเจสนาเขาจะสแสดงทำอะไรสแสดงสแสดง แกปัญจคีทั้งท้นยึ้นต้ น, น, นดยอะไรผมพอรู้ตัวแสดงอ่าเขาเรียกว่าสุดโตนะถ้าทำคือพวกปัญจคีเดี๋ยเขาเข้าใจว่าต้องสุดโตเท่านั้นถึงจะบรรลุเป็นพระเจ้าไดแ้แล้วก็บางพวกอินเดียมมีหลายพวกว่าพวกก็เสียคมจนจนบรรลุกมคิดว่านะนะ พระเามันไม่ใช่ทั้งสองทางสุดโต่งก็ไม่สภาที่จะบรรลุได้เพราะมันทรมานตนเองมันไม่ใช่ทางนะมันเป็นกิเยสทุกข์ทุกข์กิเิเยทุกข์โยนะและที่สองคือกลางมันต้องทางสายกลางพอดีพอดีทะด้านบางพวกก็ต้องกินเจเท่านั้นตัวน้ตามาเกี่ยวรับไปกพระเจ้าพระสต้อง ห้ามฉันเนื้อก็สงต้องอยู่ปลาห้ามเข้าบ้านก็สงต้องใช้ผ้าพืเนเดียวก็สงส์ต้องะอะไรหลายอย่างห้ามองอย่างเช่นวแล้วขอคุณเจ้าอย่าเลยเจ้าทับชาวบ้านเขากินอะไรก็กินเทานั้นอย่าเป็นคนเรื่องยากขอขอสิ่งที่เราทานเนี่ยหนึ่งถ้าจะกินสัตว์อย่าไปบอกว่าเขาฉันอยากอย่าไปบอกเขาว่าเราจยากทานอะไรโอ้โหวันนี้อยากฉัน ไก่ฉันปลาได้เกิดนไม่ไ ด, ไได้แล้วเห็นเดินผ่านเห็นตัวค้าพระตุลยพุทธมาแล้วข้าเนื้อข้าหมูต้นรับหน่อยไม่ได้ฉันไม่ได้ครูหวงมา บ, งบอกว่าตนะ้องผิดอาบัติันทีพระเจ้าบอกว่าฉันได้ที่มันไม่ผิดโลกนะอารวดเร็วหน่อยเพาเวลาจะตามเราพเจ้าไม่ทันนี้ที แสดงประสบพิศนาเนี่ยผู้เจ้าแสดงไาหลายเรื่องในธรรมจักรกับพระสูตรหลายหลายอย่างด้วยกันเรื่องไม่ว่าจะเป็นอริยสัจสี่ก็แสดงอกมามักโยแไปเลยน ะ, น, ะนะไปดูในหนังสือแฝงในรรสือแล้วก็ต่อมาตอนนั้นมีพระแด้ลงใตให้ทำคนดีแล้วก็แสดงต่อมาแสดงอนุมิตรถาแสดงไตรลักษณ์ก็พรบรรุธรรมตาๆกันไป แล้วก็สุดท้ายสถานที่ที่โปร่งสังขารก่อนที่โปร่งสังขารก็ไปได้สัตว์ถูกกันก็นสร้างตรงนี้ที่พระเจ้ามาโปร่งสังขารโปร่งว่ามาณาอาราธนาที่มูลว่าพระองค์สมควรจะไม่ได้พานแล้วหับพุ้งสาวสาจะไม่รู้เรื่องแล้วที่นี่นเป็นจริงดีใช่ไหมก็มมพระเจ้าก็บอกอนุน อานณ์เราถ้าใครปรารถนานจะอยู่เท่าไหร่ก็ได้อนุนก็ยังเบอร์อยู่ก็บอกประมาณเป่าวมันต่อการแล้วก็เรื่องของกำรังเลยนะแล้วก็สุดท้ายอ่หลังจากองค์ทรงทรงสังหารตรงนั้นแล้วก็มาบริริตยภัจจ์รับเรื่าอีสานเือนเราจะิริตยภัจจ์ก็มาบริหาตยภต้ น, นสารักขู่อนี้ก็ต้องขู่ถึงกรบริหารนะเอาเอาเป็นไปเฉยที้ไปถึงที่บริริตยภัจเราทํทาไงไปที่นั่น บางคนเป็นโอ้ยติวลิพานขอให้ทุกส่วนลงไปเพื่เจ้ากายเลยครับตายหมดจริงไม่ใช่ให้เราเลือกถึงความตายเลือกถึงความตายเพราะอะไรเพราะแม้แต่ผู้เจ้าผู้เป็นศาสดาเอกผู้มีอิทธิฤทธิ์มากที่สุดในโลกผู้มีทุกอย่างก็ยังก็ยังติวลิพานเลยนีภาษาอะไรแค่เราคนธรรมดาให้เป็นโลงสังขารปลงชีวิตเองไม่เที่ยงทําไมถึงไม่เที่ยงเพราะมันเป็นทุกข ทำไมเป็นทุกข์เพราะมันไม่มีตัวตนเดินจากเองจัก่อนนะความไม่เที่ยวก่อนถามว่าทำไมถึงไม่เที่ยวะถามถามดูว่าเอาแก้วไปเนี่ยมีโอกาสจะแตกไหมนี่แน่นอนแตกแน่นอนใช่ไหมก่อนจะแตกก็ดื่นก่อนนะทาไมมันถึงทาไมมันถึงจะต้องแตกเพราะมันไม่เที่ยว ทำไมทำไมไม่เที่ยงเพราะมันเป็นทุกทุกคืออะไรสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้ทนอาการเดินไม่ได้มันสมาใด้ประเด็นก็ต้องแตกสลายไปอีแล้วก็ทําไมต้องทนไม่ได้ทําไมต้งเป็นทุกเพราะมันไม่มีตัวตนมันจับสภาวะประกอบมันขึ้นอันนี้คือวัตถุสิ่งเดียวครับแล้วก็ธรรมะนี่นะโยมไมได้หมดเลยฉะนั้นพูดถึงความไม่เที่ยงธรรมะ ผู him, well, so him, ้นิจเจ้าเราน่ะจะมาเกิดจะมาอุบัติผู้องค์ทรงรอนะรอโลกจากแต่เมื่อถึงโลกที่อายุมนุษย์ร้อยปีโดยประมาณจะมาตัดรุนั้นถ้าคนอายุเยอะไม่มาตัดสรุเพราะมันไม่เห็นทุกอายุน้อยไปก็มัวแต่กลัวตายแย่งหาร้อยปีโดยประมาณพุณเจ้าถึงจวงอตัดสรุนะจะมาเขาเลยเลือกถึงมีคำถามจะถามนักเตอร์อยู่ว่าผู้นิจเจ้าองค์ก่อนกนที่อายุมากองค์แปดหมืนปี บางองค์เจ็ดหมื่นบางองค์สี 10, ่หมื่นสามมื่นในโลกใบเดียวทำไมอ่านมาเมืนกันนะ่ะแต่ไม่เชื่อยังไม่เชื่อเท่าไหร่ทาไมถึงไม่เชื่อมนุษย์เราเกิดมายุคนิดตั้งแต่มีมนุษย์พัฒน า, าการมาแค่สามสี่มื่นปีเนี่ยโลกยังเจริญขนาดนี้ไม่มีอะไรที่สร้างแล้ในโลก ย, ยุคก่อ น, นยอยู่เป็นแปดหมื่นเก้าหปีแล้วไอ้สิ่งที่เขาสร้างมันหายไปทั้งหมด ในโลกใบนี้มันต้องมีหลักฐานลงเหลือใช่ไหมมันต้องมีหลักฐานน่าบ้างอนะ่ะอันนี้ไม่มีหลักฐานนัดแบบสองพันปปีอะไรไม่มีเลยสองพันสาพันปีไปไม่มี ย, 6, 000, 3, 000ไไมมยังเป็นรูกหินรูปอะไรอยู่เลยฉะนั้นเราต้องต้องวิวัฒนา ก, การโลกจเจริญ ม, มากไีเดียวนะนโลกใช่โลกใบเดียวเนี่ยมันจะถูกทล า, ายโลกใบเนี่ยมีขุนญาติผ้าพระองค์ องคที่สี่องคที่หคือผง <5. S 1> ที่ทสนะ <c oughs> ี่คื อ, อกสสปาโคตมเราองค์ที่อาคือพระศรีอริยะเรารอพระศีนะเอาแคโคตมะนี่ก็องคเดียวกลน่ะเนี่าายธรรมะทสีสงสัยเลยรรมะเลยบอกว่าไม่ใช่โลกใบนี้หรอกโลกเรามันหลายใบโลกโลกนี่หลายใบเดเราหลายใบนะเป็นเดวนี้ขคนพวกเป็นแสน วิทาศาสตร์เขพูดเขาแบบเปรียบเป็นแสนแสนดวงแั้วหมือาเลยนะแต่ผู้เจ้าบอกว่าเป็นล้านดวงโลกเอเราเั้งหนึ่งพกัริะกขลานั้นไปจนหลงออาไปองค์นูอกเห็นผู้เจ้าแสดงธรรมอยู่โลกนู้นอ้าวไม่ใช่องค์นี้นี่กลับมาที่ิี่พาบอกขลารัะนหลายหลายหลายหลตอนนี้อาจจะมีผู้เจ้าลงค์หนึ่งลังอยู่ในโลกใบใหม่ก็ได้นะเพเที่จทว่าอายุมากเนี่ยคืออายุ อายุผุศ้ศรนทาอายุผุศ้ศรัทาพราะองค์เนี้ยอายุแค่ห้าพปีอันนี้อันนี้พอที่จะเชื่อได้ใช่ไหมตอนนี้ก็สองพันห้า้ต่อปีแล้วส่วนอายุคนเรีมาไม่มั่นใจ <c oughs> เท่าไหร่เขาว่ามั น, ม, นมันเกิดเกเก็บตายแล้วก็บอกไว่ามรุษต่อไปอายุจะตามลงตามลงจะสิปีแกงเขียกันห้าปีก็มีลูกมีเต้าแนละ้วผมคิดวายเลย น, นี่คือเขบอกต่อไปโรเกเกีกไปหนะะึ่งท่าน แล้วสุดท้ายก็แตกสลายไปเขาไม่ต้องพูดเรื่องโลกไม้พูดเรื่องลเราเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องเขาเรียกว่าสิ่งที่ต้องไปกินเดียแล้วให้ระลึกนึกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแต่เราก็จะเข้าถึงธรรมไปอย่างนั้นไม่ถึงเข้าธรรมล้กคนหรอกสะสมบางนะคนถึงคนระลึกก็มี คนไม่ถึงก็เยอะส่วนมากก็ไปไอ้ฐานไปขอตัวเองรับ่ําเงรวยก็มีหมดทุกโสก็ไปก็มันก็เป็นวิธีมือที่ต้องปรารถนาทั้งนั้และคนไ่ว่ากันแต่ที่เนี้ยคือถ้าเห็นความแก่ความเก็บความตายของเที่ยวทูดที่บอกหนึ่งเห็นคนแก่ไหมเที่ยวทูดถามเขาถามต่อมาคือแน่เห็นเที่ยวทูดที่สองไหมอันนี้ขอพูดใหจบก่อนเทียวทูดที่สองคือเห็นคนแก่ เห็นแล้วค no ิดย right. ังไงเขาถามต่อแล้วเห็นแล้วเบื่อหน่ายไหมความแก่หรือว่ายินดีกับความแก่อยู่นะแล้วก็เทวทูตที่สามเเห็นคนเก็บคนเก็บคนทุกข์ทรมานนะแล้วตนเองไม่เก็บยดนะคนอื่นเกลียดเขาคิดยังไงและถึงตัวเองเก็ีบ้างแะ้วเป็นยังไงบ้างแล้วเห็นคนเห็นคนถูกเที่ยวทูตที่ห้าในเทวในเทวทูตสูนย์ที่ห้านะแล้วเห็นคนที่ห้าคือเห็นคนถูกจะนําไปสู่ที่ประหาร เห็นคนถูกลงพันเห็นถูกคนถูกทษถูกเครียดถูกตีเลก่อโลงทงันโดนร้ายมากนะคิดยังไงนะจะถูกไปประหารอยู่วันสองวันท่านัานนะ้แล้วสุดท้ายเห็นคนตายนี่เที่ยวทู่วทหงรในเที่ยวทู่สุดแต่เที่ยวทู่ที่พระเจ้าเห็นแล้วเบื่อหน่ายออกบวชนะคือเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายตนะ้อง เ, เห็นสำนักนะออกมาบวชเห็นว่าทาที่ออกจากถูกไดนะ้นนี้คือ สิ่งที่ไปอินเดียครับเนี่ยแล้วก็ได้ประสบการณ์หลา ย, ลายอย่างอยู่ยังไม่เกลียนดนะยังจะไปอยู่นะไปเพราะอะไรจะมาชอบของมวุ่นวายของอินเดียก้าวันที่ไปเนี่ยถน น, นเนี่ยดินแก่ทุกระยะจนหูอื้อบนถน น, นมีทั้งแพะทั้งขัวทั้งคนทั้งจักรยานทุกอย่างอยู่ในถนนเดียวกวันหมดเลยแต่ปรากฏว่าเคยชนกัน ทั้วันเรามาตายเป็นคือแนละ้วสมมติมันเดินด้วยกันปนะี๊ดหน้าปี๊ดันสารหน่าสารลมบางทีจีวันติวก็นีแต่ไม่เคยชนคนไม่เคยชนกันนะแล้วก็แฝงกันก็เลยเห็นเสด่ห์ของมันทีนี้นะเป็นโอกาสเ้าไปลองดูทีนี้พูดถึงเข้ามาสู่การปฏิบัติธมรานี้ถึงนะที่จะได้พรนะอันนั้นคือพูดให้เราปล่อยอารมณ์ไปเฉยๆได้บาง ก ด, ดไปหนึ่เครียดไปนะพูดถึงการปฏิบัติยวันนี้ถึงวัน mm hmm. ตอนปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาประสบการณ์เรียแล้วกันไม่ต้องเอาประเรียนมาเที่ยงประเรียนเขาเรียนมาเยอนะปฏิบัติวิธีการนี้เนี่ยแตามาทบอกคนต้นตอนมาทาง่ายที่สุดสาหรับคุณพ่อคุณแม่เราทงหลายทนะุกเลยถ้เรเวิธีการเดียวที่ใ น, นจิตเรสติวนะิธีการอื่นดีทาสมาธิอ่ดี ถ้าจะเอาความสุขชั่วคราวใ่้สองอาทิตย์จะมาบอกเลยแต่ความสุขชั่วคราวนะนะตาก็มีความสุขเลยนะแต่พอออกจากเตงดีบไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่สภาว่าเดิมคนโกรธก็โกรธเจะ่อนคนดุก็ดุเก่งเพื่อนคนเกลีดจิตใจยังยังเหมือนเดิมฉะนั้นการนัดถึงอก็สาสนาให้ดูให้ดูเขาเรียกว่าให้ดูอาสวัตรุจิเลศนะโกรธ เร็วกวเดิมไหมเปลี่ยนเร็กวเดิมไหมปฏิะทุกเอาทุกไปเกณฑ์เนี่ยทุกมากไหมทุกน้อยไหมเพราะท่านวัดอาณาญเนี่ยพระเอาทุกพระโสดาบันเนี่ยทุกแปดสิบปอร์เซ็พระสิกิตาคาทุกหกสิบเปอร์เซพระอนาคาทุกทุกเท่าไหร่ทุกสามสิบเปอร์เซทุกยี่สิบเ์เซ็นต์เ่ัน พระลรหันยืนทุกข์หมดหมดทุกข์พระอนาคาพระโสดาบันพระสกิณาคายังโกร น, น, นะแต่ว่าเห็นพกโกรธตัวเองนะพันิ้มบันยิ้มันคือมันเอาไว้อยู่โกรธลูกดาวพี่นู้นนี่ยังมีพ่อมีครัวอยู่โสดาบันยังมีลูกมีเต่าะขนาดเราไม่โสดาบันเราจึงมีน้อยกว่านำยังมีน้อยกว่าผู้เป็นโสดาบันนะี่นางวิสาขานี่ลูกยี่สิบคนขนาดโสดาบันแนละ้วก็ พระผู้ที่จะหมดความปฏิฆะ ค, คือคนด่าและเฉยได้มีพระพระอนาคามีพระนาห า, า, า, ห า, ามีด่าเฉยไม่ไม่โกรธถ้าพระโสดาบันดา่านี้ก็ยังอาจจะมือถึงก็อาจจะถึงศ า, ากถึงสอนถึงก็จะไปอยู่นะแต่พระสกิรทาคารอาจจะมองหน้าอาจจะมองหน้ากัดฟันครั้งสองครั้งนะึงแล้วก็พระสกิรินาคามีนี่นเอง ก็ต้อความรูนะระคับโทรัพโหาให้นึ่นะเะยกัตสะัตวะ์ชันละเอียดนะฟาง น, น้นะุดูนะอันนี้เอาความทุกข์เป็นเกียนเรจะทาเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกคนน้อยลงน้อยลงให้จากว่ามันเยอะอีแล้วมันน้อยลงทุกตอนไหนล่ะทุกตอนเรา mm hmm. พลาดพาดจากของรักของชอบไม่ได้ทาเแต่ปารถธนานะทุกจาก ครอบครัวเราพัดพากจากการพราเสียแม่เสียลูกสามีภรรยา ต, ตายคือมันจะต้องเจอนอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่ตายแต่เขาตายจากเราไม่หมาในวันหนึ่งไม่มีใครไม่ตายในโลกเลย ม, มา้ะถ้าคนไกลตัวเรารู้สึกว่าธรรมดาอยู่ถ้าศัตรูตายเราก็สมลนำดังกันอยู่ถ้าคนรักตายเราก็เริ่มเราขาดที่พึ่งโดยเพราะผู้เป็นสามีผู้เป็นพ่อแม่ตายครอบัว ยังยังยังมีสมควรอายุเยอะอยู่ยังรับได้ยังไม่อยากจะจากแต่ต้องจากแต่คนที่ตายตั้งฐานถูกตายสามีภรรยาตายรอดรับได้แั้ชีวิตประกบนูงไปนะเาเรียกว่าขาดที่พึ่งฉะนั้นบุคคลผู้มีธรรมเป็นที่พึ่งพระเจ้าบอกตรงมีทรามเป็นกองมีธรรเป็นที่พึ่งจึงจะไม่ทุกข์ได้นะดะนั้นการปฏิบัตํารน้เพื่ออะไรทาเพื่อตัวเองให้มีที่พึ่งพราชบอกว่า ปฏิบัติทำเนี่ยเหมือนไม่ได้อะไรเนี่ยถ้าคนถ้าคนปฏิบัตินั่นเหมือนไมได้อะไรทําแต่พอกลับไปที่บา้านแล้วมัจะรู้ก็ได้อะไรมันโยมคนหนึ่งนะที่อ่าปฏิบัติทำแล้คเนี่ยเขาดีใจมากเยัโยมทํามไม่ทุกขเหมือนเดิมทั้งที่เขาไม่รู้นะลูกานามก็ยังไม่รู้หรอกนะทำมาอะไรก็ยังรู้เทศทอดความเทศ แต่ว่าเวลาเขบอกทำไมโยงในทุกันเดิมมาจาก่ารในบ้านต้องตัวเองต้องิดชอบหลายอย่าง น, าานี่เป็นคนเราติดเชื้อกรบสับเลยติดแต้มมาไปอยู่ฝรั่งเศสนะเดี๋ยวนี้เรียก ว, ว่ามันมีทุกมากจนสามีไปตีเมียน้อยสามีก็ไปไปมีภรรยาเพราะแกก็รู้นะมันก็ไม่ทุกจะหรอกววไปก <laughs> ต้ อ, ตอทงทำของมันเออต่อทานเน้่ยต้องทำของมันเนี่ยแกก็ดูแลครอบครัวไป อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเจอแต่แล้วอีกอยากยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งให้ฟังปฏิบัติทําอย่างไงก็เข้าใจเร็วนะก็อาจารย์ธมาชอบถามใครพอเข้าใจรูปนามแล้วทำไมถึงเข้าใจเร็วนะยกมือยกมือซ้ายไวมีโยมคนหนึ่งมาเฏืบัติธรมะมาดูจะเป็นด็อกเตอร์หรนะเป็นอาจารย์สอนพยาบาลที่อะไรก็ได มาเพื่อทาก็มาแกทุกข์ใจเพราะแม่ต้องจากไปเมื่อเดือนที่แล้วแกเอาแม่มาเลี้ยงอย่างดีนะแม่จากไปก็ไม่เลนทุกข์ใจหรอกแต่อยากจะให้บุญแม่ปฏิบัติธรรมกุศลให้แม่คนอื่นปฏิบัติธรรมเอาไปเราตายนะแต่ว่าแกไม่เอาอ่ะแกปฏิบัติธรรมไม่เอาแกปฏิบัติให้แม่แกก็เปน็นหน้าข้ามแกกันนิดนึงไปใช้พยืมบัคเด็ร ยืมเพื่านคามเมนตปฏิบัติธรรมเพราะมาวัดรถไฟเอายายรับไปหาโยมเกียรติกำันปฏิบัติธรรมวันที่สามเกียรเกียรร้องไห้เกิดปีติถ้าโดนไปร้องไห้ไม่รู้เกันอาจารย์มันมันบอกเอาไม่ได้มันตึ่นขึ้นมาตื่นมามันเบามันเบาตัวเองพร้อมกับปีติเกิดขึ้นนะหรับซึ่งร้องไห้อยู่ก็เลยถามนะ แกได้สภาว่าไม่เคยเจอมาก่อนสภาพว่าตัวว่างตัวเบาตัวเย็นตัวดับเนี่ยะแกไม่เคยเจอมาก่อนจะได้แกก็เลยมันมันตื่นเต้นคนตื่นก็อิจฉาปฏิบัติธรไม่ได้นะปฏิบัติธรรมพยายามจะเอาต้องไม่ได้เลยสาวมันทํามาถึงได้เร็วกอ่านที่สามจะได้แะแกปาปบแกอินซีแกแข็งมากแกไม่ม้วนม่วนหรือวันแรกวันแกพยายามสูบไม่ยุบไปไหนพยายาม เอาชัดๆอะคือบอกให้ยกมือแกยกมือยกไมด้อะไรไม่สนใจอ่ะเพราะแกคิดว่าปฏิบัติธรรมแล้วแม่ก็ได้บุญนะจัดรับให้บุญแม่เสร็จนั่งยกมือตอนที่สามแกได้แกบอกโยมปฏิบัติธรรมโยมไม่ไดปฏิบัติเอาไวอย่างโยนปฏิบัติให้ฐานแล้วบุที่ทําให้แม่โอ้โหปฏิบัติทำให้แม่ไม่รู้ว่าปฏิบัติคืออะไรได้ส้งแต่ยังไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเลยนั่งยังไงไม่เคยทำมาก่อน วันนั้นตอบปฏิวัติให้แม่ได้เฉยนะลามาปฏิวนะัติทำ้แเนี่ยตรวนี้แกเพศรกงอุตมาอีอยู่เฉยเฉยไม่พูดนะแต่จะไปถามเรื่องธรรมะจนพระยู่วัดไม่ได้นะรนเราถึไล่ถามีมาบวชอะ่ะามีก็มบวชเพรยรกงอยุตาีพูดถ้าอยู่เฉยสมกรู้ว่ะแล้วอ่อนน้อมถ่อมตนอะ่ะแต่พูดถามเรื่องธรรมะเนี่ย ธรรมาต้องเสี่ยงแกคุยไงเวลาแกโทรมาถามข้าวถามข่าถามธรรมะสอบอารมณ์ธรรมตะต้องเด็กกระดีเตรียมหมดสิบช่วโงโยมถ้าจะถ้าจ ะ, า, จะจาจะจำภาษาหรอจะจาว่าหรอเจ้าค่าเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าค้านิดหนึ่งทีต่อสามต่อไปเรื่อยอเวลาได้พูดธรรมะมันจะขึ้นหมดจะเป็นวิปัสสุนตจะเป็นอันนี้อยู่โยมเหมืนกันทุกคนนกันถ้าได้แล้ว ได้อะไรคะคืออย่าปฏิบัติให้นูกเฉยๆนะไม่ต้องว่เสียนูกซื่อลูกเฉยที่สุดอ่นะผิวช่วงหนึ่งมันจะมันจะมันจะตกลอกเองเมื่อเราพยายามขยับหาขยับขาลอกมนะันอ่ะขยับทำคมตกลอกปั๊บเล้อเนะี่ยโยมเก็บขขาปวดขาจะหายหมดเลยนะใครที่ป่วยเขาลอกกระเด้นจะหายหมดเลยนะหคือตัดแน่นเก็บตัวนั้นปวดตรงนี้แตกนะโลกหมดเลยนะ ก็คือถ้าเขาล็อกกันะทํายังไงทำอย่างนี้ทำทำเฉยๆบอกแบบโมงเก้านทีต่อได้หน่อยนะเพราะนั้นทํายังไงก็เลยเนี่ยทำจากความรู้สึกตัวเฉยๆปูประมาณยังไงความรู้สึกตัวที่มาเคยบอกโยมอยู่ว่า่โยมเคยตายไหมเคยตายหลายชาติแต่เราไม่รู้นะเอาเอาว่าเอาว่าตอนนี้ไมเคยตายแล้วนะ อ่าบมตจายายนอนหลับนี่คือมไม่รู้สึกตัวนะคือเมื่อกี้นี่คุยกับโยมไหนมารูกโยมยาคนเราขัดห้าใครก็ยัง 5, ไม่รู้ 5, รเลยคนเรามีมีขัดอยู่เท่าไหร่ห้าขันหนึ่งรูปสองเวทนาสามาตสังขารสังขารห้าปัญญาปัญญา นะรูปเวทนาสังสัญญาสังขารยัญห้าอย่างแต่ว่ามรงนี้อันหนึ่งที่มันแตกแยกคือรูปเวทนาสัญญาสังขารยัญเวลาคนตายตัวนี้แยกออกมานะเวลาเป็นติดกันอยู่ด้วยกันนะ่ะทํางานทำพร้อมกันมึงใครรู้หรือไงทำงานจะทำอะไรก็แ้่พร้อมกนะันแยกไม่ได้แต่สามารถอธิบายได้ตัวไหนคือตัวไหนแต่ว่ามันเวลาทํางานกินมันทํำพร้อมกัน ดีเวลาตายปั๊บแล้วเนี่ยรูปจะแยกออกมาพอแยกพอแล้วเนี่ยรูปแยกมาปับ๊บมันสักว่าท่อหไม้ท่อนเพลินไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรจะจิ้มจะแทนจ ะ, จจะยืนด่ายจะขีดรถเลี้ยวรถจะทําให้ก็ไห น, นมันไม่โกรธไม่เกลียดใครเป็นเพราะอะไรเพราะมันไม่มี<ำ>เวทนาสัญญาสังขารสิญญามันไม่รู้ว่าใครทําอะไรเลยแล้วแต่ตัวนี้ไปนะตายแล้วตัวนี้ไป ไปไปไหนล่ะถ้าไปรับโทษถ้าทำกรรมแล้วก็ไปรับโทษมีนรกหรืม่นรกนะนรกทาให้สุขไม่ทุกข์ทำให้ทุกข์ไปเทวดาห์ก็สุขนะมีสัญญากรรมได้ใครเป็นพ่อเป็นแม่นะใครเป็นสมบัติตัวเองอยู่ที่ไหนหัวเป็นเอิผีนหนึ่งหเป็นเงินสังขารการปูแขกนะจินตนาการคิดปูแขกสักงขารหมดมันะจะไปไหนทาอะไรี่ยวิญญาณคือตัวทั้รู้ห้าตัวเนี่ย มันมันแยกกันไปพอตายแล้วแยกกั น, นอีกเลยแตทีนี้พอแยกแล้วเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าพอแยกไปปั๊บอันนี้ไปเป็นอะไรก็แแต่ะเอาเป็นเทวดาแล้วกันนะเป็นเทวดาเทวดาไม่มีรูปมีรูปทิพย์พอไม่มีรูปทิพย์แล้นีพอไม่มีรูปปั๊บไม่มีสติเทวดาพพุทธเจ้าบอกเลยว่ามนุษย์ กับเทวดามีคุณสมบัติต่างกันถึงเทวดาก็มีกายทิพย์กายทิพย์ไม่มีสติแนละ้วกายทิพย์อายุทิพย์วันอาทิพย์อาหารทิพย์ในเทวดาแต่ว่ามนุษย์เราได้เปรียบคือมีรูปมีสติได้เปรียบเทวดายัเดียคือมีสติถ้าไม่มีสติก็ไม่ได้เปรียบก็เลยการนั้นนี่คือสิ่งที่เวลาแยกกันแล้วนะเราถึง รู้ได้ไงว่าเรามีชีวิตอยู่จริอ่ะรู้ได้ไหมว่าเรามีชีวิตอยู่ตัวไหนเป็ตัวเชื่อมน <ir> ะอ่รู้สึกตัวสติ น, นี่แหละสติมันเป็นบาลีที่เจ็ดไม่ใช่ที่เจ็ดแปลสั่งเอาง่ า, ายๆคือรู้สึกเรารู้สึกว่าเรามีตัวตนอยู่ไหมรู้สึกว่าเก็บรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกว่าเราจําได้ว่าใครมารู้สึกว่าเรา ว่าจะทำอะไรต่อไปรู้สึกว่าเห็นรู้สึกว่ได้ยินคือรู้สึกตัวเนี่ยตัวที่มันเชื่อมตัวเราพวกนั้นถ้าพอตายปั๊บแล้วเนี่ยตัวรู้สึกมันไม่มีแล้วอันนี้ก็ไปแล้วกายก็เลยหมดเป็นข้อไม้ข้อพือ้นี้เลยฉะนั้นถ้าใครพยายามสร้างตัวรู้สึกตนะัวเนี้ยให้มากๆจนสตินะให้มันเต็มรอบถ้ามันเต็มรอบให้มันสมบูรณ คนนั้นน่ยได้เปลี่ยนเนี่ยเราลองมาสร้างสร้างความรู้สึกตัวให้เขาชัดเจนรู้สึกทันต่อความคิดรู้สึกทันต่อเหตุการณ์รู้สึกการต่ออสถานการณ์ได้นะแล้วผู้ที่สร้างสติทำสติถึงมีคุณค่ามากนะผู้ที่ทําสติสร้างสติถึงปกป้องตัวเองได้จากทุกนะอันนี้โยนมาเป็นพิจารณาลองดูนะ วันทีนี้สุดท้ายท้ายสุดก่อนเกิดกับสิ่งที่ธรรมาเคยฝากไว้วันก่อนว่าถ้ามีเวลาไปรอบฟังคือรอยพระเจ้าที่อินเดียเล้วกันนะจงยังจำได้นะที่บอกว่าธรรมาเป็นพยายามไปดูรอยพระเจ้า<ม>เพราะเวลาไปเทศ่ยวในฝรั่งฟังเนี่ยจะบอกว่าพระเจ้าเกิดมาเดินในเกียิเก้ามีดอกบัวเพรองรับเนะมันไม่สมเหตุสมผลก็เปูดเรื่องนี้แหละนะเวลาเขาอ่านแล้วเขาสงสัยเขามาถาม จริงเหรอเราเราก็ลต้องบอกว่ารอยพระเจ้ามีอยูเ่เจ็ดรอยรอยที่เราจะรู้รอ ย, รอยที่จะตัดสู้รอยที่จะเข้าใจออกมาเนเวลาโยมปฏิบัติรธรรมเนี่ย<น>ช่วยจัดการ ร, รอยที่หนึ่งคือพุทโธพุทโธงเจ็ดพุพุทพุทโงคือองหการตัดสู้นเจ็ดต้องเดินตามรอยนิดหนึ่งสติเราทำกรรมธรรมจะเลยสตินี่รอยที่หนึ่ง คุณเจ้าทำไมไม่พ <Be> ูดเอาศรัทธามาก่อนทำไมคุณนั่นมันมันจะในหมวดของออิทธิบาทจะในหมวดของอ่ื่นนะเนี่ยจิตใจอิทธิบาทนะแต่ว่าโครงทรงการแต่ตรรู้การแต่เข้าใจธรรมอโครงทรสติขึ้นก่อนเลยหนึ่งรอยที่หนึ่งคือสติถ้าเดินยืนเดินนั่งนอนหายใจทําอะไรไม่มีสติมันก็แปลรอยที่สองไม่ได้ยืนดอกบัวดอกไม่ถึงคือสตินะครับ ดอกที่สองคือธรรมวะพิจยัรรจยยักษ์ธรรมะิจยยกเนี่ยคือธรรมะวิจัยพอมีสติแล้วเนี่ยตัวหนึ่งคือมันจะคนถึงความว่างนิดหนึ่งได้ลูกนาำนิดหนึ่งมันจะเกิดนิจตกวิจารธรรมระนะนั่งธรรมะขุดขึ้นมาคิดเนี่ยจะคิดเรื่องดีๆนะฮะนะสอนโอ้ดูเรื่องที้รูแลกธรรมะพิจยัยธรรมาได้เจอสัมเลย นะเราโยกปลาตะวาขึ้นธรรมะเนี่เป็นเดือนขึ้นธรรมะเองนะจินตนาการขึ้นธรรมะเทศเนี่ยเดี๋ยวเอาไมอยู่ต้องปล่อยมันเดินตะกมยิ่งเดินยิ่งเทศไปอยู่ก่อช้างตนนะั้นหลวงพอพาไ อ, อยู่เกาะช้างไปเข้าค่ายอยู่สี่ทพันเทศอย่างเดียวไม่ได้เล ย, เลยนะตอนนั้นพุ้งั่นอย่างเดียวแต่ว่ามันยิ่งยิ่งมันยิง่งรู้นละ้วมันขดขึ้นมามันมาในรู้วโอ้ในสุนทรภิญญาสอง นีวิทยาความเพียรหลังจากที่สติแล้วว่าธรรม毗ัญญาต้อเกิดความเพียรแต่เพียรใ น, นที่ตรงนี้เนี่ยเพียรอะไรไม่ได้หนึ่งเพียรเดินเพียรสร้างแต่ว่มเขาโอเคนะอนนแล้วอนหนึ่งแต่ว่าถ้าไม่จัดในหมวดนี้หทนี้คือเพียรละอุปสที่มันเกิดขึ้นเราบางเราเราเผลอคิดในทางไม่ดีใช่ไหมหรือไม่ต้องคิดทางดีอ่ะเผลอคิดไปนอกดีไม่ดีก็ช่างถ้ามัคิดออกน อ, อกตัวคือเผลอเนนีะ่คือเพียรละ เพียนละความคิดที่มันเกิดนะแล้วแล้วเพียนสร้างผสมลคือสร้างความรู้สึกตัวนะเพียนระวังไม่ให้ความคิดนเกิดขึ้นอีกแล้วเพียนรักษาตัวสติที่ให้ได้หนึ่งเพียนละเพียนระวังเพียนสร้างเพียนรักษาอันนี้คือควเพียรในในหมวดกุศลนะแล้วขีดเก้าแล้วสามเก้าแล้วนะและเก้าที่สี่นะ 9, 3, 9, 9, 4, คือปีติ 4, ทําไปทํามาเนี่ยเกิด สุขใจอิ่มใจอใจอิ่มใจนี่ความสุขนะจิติและข้าที่หาคือปัสสัทธิปัสสัทธินะโยมมาถามเขาจะปัสสัทธิกับสมาธิการนันอย่างไรอย่นี้ถามเดี๋ยวจะอธิบายตอนสุดท้ายนะและข้าที่หกคือสมาธิสุดท้ายข้าที่เจ็ดอุเบข า, อ, บาอุเบคาในโพชงอุเบคาในภพมิถันต่างกันนะปุถท้ายโพชฌงนะเอา อธิบายตรงที่โยมถามว่ปมาปัจสถานิต่าตงกันองไรตอนแรกตอนมราไม่เข้าใจปสัสถินะิเพราะไม่เคยเจอมันมีแต่สติแต่มันเคยผ่านผ่านแต่เราไม่เข้าใจมันมันไม่แน่แน่เหมือนกับทำสมถะพอไปทาสมถะนั่งสมาธิยีิบ ส, สีชั่วโมงหรืนั่งบางวันแต่ก่อนเขาดังเยอะอยู่นั่งสองสามโมงไม่รับนั่ง่อยเป็นนั่งคราว น, นั้นอ่ะมันเข้าถึงปสัสธิมันเลยรู้เลยโอ้ ตัวนี้เองคือประสิทธินะประสิทธิลักษณะคือกายาเวทนากายนะครับไม่ไม่เกลียไป่ปวดนะเย็ยนกายเลยเบากายยังสงบสติคล้ายสติสมบูรณ์นิ่งคือไม่สนใจควาคิดไม่คิดเลยนิ่งเลยนะกายนะครับจิต น, นะครับจนะอบอกว่า อ, อยากนั่งยืนทุกเดือนหนึงทุกปีหนึ่งพี่น่ะลามาถึงนั่งได้หกปีาลำรากน้อยนั่งยืนโมกปีก็นั่งนะแต่เพราะเข้ากับสยิธได้แต่ยังไม่ถึงสมาบัติสมาบัตินั่งแล้วดิสมาบัติคือดับเลยสมาบัติไม่รู้ไม่มีกายเลยสมาบัติปัสยพิยังรู้ว่ากายยืนกายสงบระงับอู่ทีนี้ ส, สมาธิคืออะไรสมาธิคือความ เอาอย่างนี้มาบอกว่าเราจะรู้เราจะรู้จักอะไรเราต้องรู้จักนิยามก่อนนีนิยามของสมาธิมีสามอย่างหนึ่งปริสุทธโธใช่ไหมดรนะนเก่ดดงๆตอ้องมเกียรติดรบุดเลยความนาความตาหนึาาานะ่งป ร, ริสุทโธคือจิตมันบริสุทธ์มนนนันมันขณะนั้นอ่ะมันไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกวดไม่มีเกียรตไม่มีโลไม่มลงอ่นะมันเราได้ไหเนี่ย ตอนนี้มีใครลกมีใครชางมี ใ, ใครเกียดมีใครโกรธมีใครโลกใครห ล, ร ล, ใใลองอยไดเพราะใครบางคนไม่มีอาจจะมีงมเหตุผานิดหน่อยมาพุดใ น, นางการเตืนะนี่ยคือปริสุทธิ์โทคือจิตใจบริสุทธิ์สองกรรมมัดเอาสมาธิตัวก่อนนะจะพูดข้าบคัน้นเราเตอรตกขั้นที่สองนะสมาธิตคือมันตั้งมัน่นจิตใจตั้งมั่นจดจ่ อ, จ, อจะอ่านหนังสือจะทำอะไรมันรู้สึกเบาหูแล้วก็ โลกงขโป่งห้องนะฮะทำอะไรจุดจอ่อไม่เราถ้าไม่จ่อทำอะไรไม่สำเร็จนะบางคนจะเย็บผ้าหอยบางคนจะทำกับข้าวมันต้องจุดจอ่อจุดจอ่อสิ้นนะนะคือสมัยหนึ่ตแต่ว่าสมัยหนึ่ตัวเขาสมาธิมันจะจุดจ่อกว่านั้นอีกเพราะว่าเราทำกับข้าวยำยำไปยังคิ้ดด่าสามีข้างหลังได้ใชนะ่ไหแต่ว่าไอ้จุดจ่อตั้งมามันมันจะจ่า ก, ก, กว่านั้นอะีกนะทาอยู่รู้สึกว่าทําตลอดเวลา รู้สึกว่าทำเลเราแล้วสามกรร ม, มนมโยมกรร ม, มนม่โยตัวนี้เนี่ยเวลาโยมปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยทำไมถึงอยากจะทํากานทํางานสังเกตดูนั่งปฏิบัติธรรมชั่วโมงหนึ่งสองโมงเลยแล้วเวลาเราไปทำงานมีความสุขนะเพราอะไรเพรมัน ม, ม, ม, ม, มัรู้สึกตัวของการทํางานมี ค, นะนะาความสุข่ะทํางานก็มีประสิทธิภาพนะแต่บางคนไปแปลว่าอันนี้เขาแปลนะ่ะแต่ว่าไม่ยืนยันเขาใช้ว่ากรรมไมด้โยเนี่ยคือ จิดได้เขาเรียกว่าได้จิที่ได้อภินยาหูทิพญญาตาคิพร่างที่แปเรลตั้งแต่ละอันนั้นคือเขากรรมเดียวจิตจิตมาทำกายนะั้นแต่ธรรมาแปรแบบหลงกุเลียนนะแปรแบบสิ่งที่ เ, เข้าใจกล้สิ่งที่มั่นใจคือเวลาเก็บอารมณ์สิ่งผ้าวันเวลาพระเขาเก็บอารมณ์ธรรมาเขาเก็บที่มอเริกราวาเขาเก็บเงินนะตามนห้นห้องของปรานธรรมะ วางไอคอนวางคอมิตเตอร์บนหนึ่ห้องเข้าเก็บโรู1สิบห้าวันก็เออจ็ดวันเจิดวันนี้จะมาจากไม่ฉช่ข้าวมนะีตอนเช้ากล้วยลูกหนึง่งตอนเพลกก็แอปเปิลลูกหนึง่งแค่นั้นนะแค่จะไม่ถ่ายเลยก่อนเข้าก่อนเข้าก่อนเข้าไปทําทำาำดินทอบก่อนล้างฟองน้ำเข้าไปฟ อ, องนะสองลิตรเกืบสองลิตรน่มาเข้าไปแล้วก็ เบาอะไรนี้เราไปเข้าเกียตวันแทบไม่แทบไม่ด้าะมันมีอาหารเลยฉันปวดฉันแค่ปนะเบาทราเบาเพราะอาเป็นคนชอบม่วนเป็นกระทำเนี่วนเร็วเข้านับเร็วเผลอไม่ได้นะพอไปนั้นมันไม่ต้องมีอาหารไม่ต้องนกระเพาะทำงานมันก็เลยบาอทียกมือไปขึ้นก็เหนื่อยนั่งก้มตดอย่างนี้รอยกมือเพราะมันไม่มีอาหารไม่มีระพาะงาน มันเป็นเดินพลังงานไปพู่งจากอะไรไปใช้หมดไขวันที่สะสมไว้อะนะสารรากไว้นั่นสะสมไว้ไม่พุ่งตั้งนานมันไปเดินมาใช้หมดเลยนะก็ค่อยยกแล้วมันมันเอาสบายด้วยนะมันไม่ทานข้าวเนี่ยตอเวลาเขาเก็บอารมณ์เนี่ยมานไม่ไม่ทานอ่ะไม่มีไม่มีร้อนไม่มีเกลือไมีอันนเฉพาะคนไหวเฉยมันอยู่ได้มันรุนไปตายได้ ต่ขาดน้ำก็ตายแล้วก็น้าไว้น้าก็ดืออะไรล่ะสมมติถ้าเก็บวันเขาดื่มน้ำปัสสาวะตัวเองดื่มน้ำปาวะดื่มน้าจนปัสสมไม่มีก็ดื่มน้ำลงกาแกนี้ลองอันนี้เคยลองดูก็ทำอยู่เรื่อยๆนนอาลได้ขีเก้าแล้วไหนได้เก็บเก้าสมาธิลักษณะที่ลักษณะสมาธิคือ พระฤาษีโทรสมาเดโทแล้วก็กลับพระฤาษีแล้วก็อุเบกขาสุดท้ายเอาอุเบกขาของอุเบกขาของโคตรโทไม่เมือนอุเบกขาของพรนะมิฐานอุเบกขาของ ม, มิหารในนั้นโดนสมมติว่านะสมมติว่าครูน้อยต้องมีพร ม, มิหารสนีะ่ถ้าถ้าแก่แล้วนะต้องมีต้องมีพมิหารสี่ที่อยู่ของผู้ใหญ่หนึ่งต้องมีเมตตาสองมีกรุณาสามมีมุทิตา สี่มีอุเบกขานีมีเมตตาต้องถ้าไม่มีเมตตาก็อยู่ไม่ได้ในสังคมไอ้เป็นเมตตาเป็นลูกกระทำนำกระทำอยู่เมตตาแล้วก็ถ้าพอเมตตาก็ก็เห็นคนอื่นไม่สบายก็ไปช่วยที่มือช่วยไอเมตตาแกลโลณาช่วยเขาหรือว่าครูเนี่ยอะไรอะไรก็ครูนคนนันในหมูบ้านนั่นแหละจิตใจเปิดเป็นหม อ, อแทนคนอื่นแนล้วก็มุทิตาแต่มุทิตาที่ครูจะขาดเยอะ ธรรดาอาชีพครูนเมื่อไรคนอื่นได้ดีพอยินดีเลยนะส่วนมากแต่ก็ชุบกระซิบอสองขันสามขั้นขั้นทำงานอันนี้จะเป็นอย่างนั้นนะเป็นตลอดคมะอาอย่างนั้นนะคนละไม่เป็นอนะ่ะแล้วก็สุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาคนเรามักวางเฉยไม่ได้เป็นทุกนะโยกคนหนึ่งโอ้อยยาจารย์โยมมางี้ถามเจ็ดแปดวันงกก็ได้กินข้าวคนไหน เขาไม่ด้กินข้าวจงทุกดวงจะบาปไม่ได้แต่ว่าอุเบกขาให้เป็นหนึ่งมีเมตตามีกรลณามีมุจจาแล้วอุเบกขาเป็นทุกข์ฉะนั้นคนชอบเกลียทุกข์เพราะอุเบกขาไม่เป็นแต่อุเบกขาของพุทธชงเน่ยมันคนาล้านกันถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะสติสมบูรณ์รับแล้วมันจะมันว่างหมดว่างหมดไม่รับอารมณ์อะไรเลยอุเบกขาภายในไม่เอุเบกขาไปหรอกอุเบกขามันมีความสุข นะโอ้ยนะคือจะทําอะไรก็มันบ้าไปหมดทําอะไรก็เข่าวบ้าๆตัวนี้ไม่ใช่เพรไม่คิดตื่นไม่ใช่น่ะสติต้องทำงานเร็วมากจะคิดอะไรปุ๊บจบหยุดจะทําอะไรปุ๊จบหยุดนี่คือการทํางานสติน่ะจะคิดอะไรก็เห็นอะไรมันปื๊ดๆเลยแล้วก็หยุดเปลี่ยนโอ้โหถึงรู้อันนี้ความสติในเร็วเร็วขนาดนั้นนี่คือ รอยที่รู้จ้าท่านกระทำไว้เกือบร้อยที่แล้วผมก็บอกว่าผมเป็นผู้เลิศในโลกประเสริฐที่สุดในโลกเป็เลิญที่สุดในโลกและสุดท้ายผมบอก ว, ว, ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนะไม่มีอีกแล้วไม่เกิดไม่ไม่ไมาเกิดอีกแล้วนะแล้วยิ่งของนั้นมีคํานึ่งที่ผบอก ว, ว่าเราเป็นไก่ตัวเนี้ที่ออกมาจากไข่ได้ทำลายทายําลายเปลือกไข่เพื่ิชามะฉะนั้นเราคือเปลือกไข่คงอยู่ นะยังไม่บอกความร้อนยังไม่พอต้อนงะเร่งคงเสีย น, นิดนึงยังนะนะเจาะเปลือกไข่ออกมาไม่ได้พระองค์ก็เป็นไก่ตัวแรกที่จบเจาะเปลือกไข่ออกไปแล้วก็รอดผลอย่างไรม่หาได้แล้วก็บอกเลยนะหลังจะจบเจาะเปลือไข่แล้วพระองค์ก็บอกวนะ่าแ้่ไข่ลูกนี้ยังไม่เจาะไปเจาะไม่ได้นะพระองค์บว่าเราเป็นผู้ที่บอกทางแต่ว่าส่วนจะเจาะไข่ออกมาเป็นหน้าที่ของถือพราไม่สามารถช่วยเขาได้ พระ้าบอกไว้หามดแล้วธรรมะวิธีปฏิบัติบอกไว้หมดแล้วและมีทางเดียวคือสติปัญญาสี่ที่เราทำนท่ไหมเอกาเโนม์วัคโวสัตทาราวิาศิยาเนี่ยนะก็เป็นทางที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้นะแต่วันนี้ก็คงทุกคนเกินเวลาจะพูดให้ฟังหลายสิ่งหลายอันทำเล่นๆไปละละ้อยสนับตัวพอไปอยู่พอทำนาทีไป ขัดตับุคคลโดยสมบูรณ์ก็เกียนไปพิจารณาก็ตั้างใจปฏิบัติในฐานในฐานบามีสัจจบารมีทำใม้ได้ใีฐานเป็สัจจบารมีขันติบารมีเนี่เขามาใช้หมดเลยบารมีที่เราทําเอาสมมาทังชีวิตแล้วก็ผู้นี้ก็ตั้างใจปฏิบัติเก็บอารมณ์กันคนน้อยผู้นี้เช้าก็จะพูดเรื่องให้ฟังก่อนจะเดินทางพอาผู้นี้เรียนเลยนะจะพูดเรื่องปฏิจจสมุบัติ นี่คือปฏิจจสมุปบาทโดยตรงพูกเทีย น, นยามเา้เห็นเป็นเก้าเป็นเก้าเป็นเก้าแล้วก็ต้องโยงไม่ต้องโยงทำรามาเพราะเราตามไม่ทันเอาพูดกันปัจจุบนันปัจจุบนันปัจจุบนันหายใจเข้าหายใจออกมันเป็นปฏิจจสมุปบาทยังไงผมคิดเกิดขึ้นเป็นยางไงหรือเรื่องนี้โมกิเจ้าตอะเร้านี้นก็ อ, อกนยนธรรมดาสาธุทั้งญาติโยมทุกท่านทุกคนที่บุตสาวใช้บา ร, รมีทัศน์ตั้งใจฟังธรรม ข อ, อให้ได้โทงตายท่านทำถูกทุกคนทุกทางด้วยคือ